รู้สึกว่าโรงเรียนนี้นะ่ะเป็นโรงเรียนแรกและก็เป็นโรงเรียนเดียวของโลกที่สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้และกระจายความจริงของชีวิตกฎแห่งกรรมที่จะทําให้พวกเราเราหลุดพ้นจากสังสารวัตรลูกรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของครูแม่ใหญ่อย่างยิ่งที่เมตตาต่อลูกลกทุกคนทั่วโลกซึ่งไม่อาจจะหาคําพูดใดๆมาเปรียบเทียบได้ ลูกทุกคนจะตั้งใจเป็นนักเรียนที่ดีขยันทําการบ้านทุกวันเพื่อเข้าถึงความสุขภายในตามความปรารถนาของครูไม่ใหญ่ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาแนะนําเรื่องโทษของสุราและบาป ท, ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ผลิตจาหน่ายส่งเสริมหรือดื่มสุราลูกจึงนําเรื่องของอากงของลูกมาเป็นตัวอย่างในการนักเรียนอนุบาลฝันในฝัน ทั่วโลกได้รับทราบโดยหวังว่าอา น, นิสงผลบุญในครั้งนี้จะส่งให้อากงของลูกด้วยอากงของลูกเป็นคนจีนเกิดที่อำเภอแต้จิว๋วมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนท่านมาเมืองไทยเมื่ออายุส8บปดปีมาได้เสือผือนหมอนใบ ไปตั้งรกรากที่จังหวัดเพชรบูรณ์อากองไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ด้วยความขยันอดทนซื่อสัตย์ใจกว้างใหญ่และมีหัวทางการค้าจึงทำให้ท่านค้าขายเก่งเช่นเป็นพ่อค้าขายหมูขายของชำของกินของใช้และยาเส้นในที่สุดท่านก็สามารถตั้งตัวได้ และเป็นเจ้าของธุรกิจอีกหลายอย่างเช่นโรงเรียนระดับประถมถึงมัธยมศึกษารงสีข้าวสามโรงโรงทำน้ำแข็งสวนส้มเขียวหวานและสวนมะขามหวานนะับพันพันไร่ธุรกิจเหมืองแร่เหมืองหินอ่อนและเป็นเจ้าของโรงงานหินอ่อนของเอกชนเวลาแรกของประเทศไทยมีธุรกิจป่าไมา้ โรงยาฝิ่นซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายและโรงเหล้าสมบูชานจากรักฐบาลสามจังหวัดในภาคเหนือแม้จะมีธุรกิจหลายอย่างแต่สิ่งที่ทำงานในทันหมายที่สุดก็คือโรงยาฝิ่นและโรงเหล้าในสมัยนั้นจังหวัดเพชรบูรณ์ยังไม่มีธนาคารท่านต้องเอาเงินน่ใส่กระสอบข้าวสารเป็นกระสอบกระสอบ โดยไม่มีเวลานับและแยกธนบัตรเป็นชนิดต่างๆม่อมีเวลาว่างก็จะเทงเงินจากกระสอบออกมานับมากไหม <S S อมา ก, กระสอบข้าวสารนะ<อ>หลายกระสอบทีเดียวนี่ท่านเป็นมหาเศรษฐีที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในภาคเหนือเป็นที่รู้จักเคารพนับถือของทุกคน พ่อค้าในวงการธุรกิจตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ถึงเชียงใหม่ไม่มีใครไม่รู้จักเพื่อนสนิทรุ่นเดียวกับท่านล้วนเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าของธนาคารชื่อดังชั้นนําของประเทศไทยและบางท่านเป็นเจ้าของกิจการโรงเหล้าที่รู้จักกันทั่วไปในปัจจุบันนี้ท่านมีทรัพย์สินมากมายทั้งหลักทรัพย์ที่ดีและเงินสดซึ่งเป็นที่พึ่งของคนยากรวมทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนทั่วไป แม่ของลูกไล่้ฟังว่าบ้านของอากงเป็นตึกแถวสี่ชั้นเจ็ดคูหาใช้รับแขกที่เดินทางมาธุระหรือเยี่ยมเยียนท่านบ้านยังไม่เหมือนโรงแรมที่ทุกคนมาพักได้ตลอดเวลาและให้บริการฟรีเพอมอาหารมื้อละสิบสองอย่างรวมทั้งซักรีเสื้อผ้าให้เสร็จสับรวยอะไรจะขนาดนั้นจากยาฝิ่นและลงเหล้าเป็นหลักถ้าใครไม่ได้รับความเป็นธรรมรือถูก ประชา ก, การแก่งแกล้งก็มาขอให้อากงช่วยท่านก็ยินดีช่วยทุกรายไม่เคยปฏิเสธส่วนใครที่เดือดร้อนเรื่องเงินทองก็มาขออากงได้โดยไม่ต้องใช้คืนเช่นขรายการท่านผู้จาบางท่านมาขอเงินจากท่านเพื่อส่งรูปไปเรียนต่อต่างประเทศหรือบางคนก็มาขอยืมแล้วรับ ป, ปากว่าจะใช้คืนในภายหลังบางคนก้าที่ดินมามัดจําไว้ก่อนแต่ในสุดแล้วก็ไม่เคยได้เงินคืนจากคนเหล่านั้นเลย หรือแม้แต่ที่ดินที่เขาเอามาแลกกับเงินหรือเอามาใช้คืนเงินด้วยความใจดีของท่านอากงก็มักจะปฏิเสธไม่รับที่ดินเหล่านั้นเลยท่านเป็นคนใจบุญสุนทานทําบุญทอดกระถินผ้าป่าตามวัดต่างๆเป็นประจําชอบช่วยเหลือคนและสร้างสาธารณประโยชน์ครั้งหนึ่งพ่อของลูกได้ถามอากงว่าทนา้เงินไปช่วยเหลือคนแล้วกลายเป็นหนี้ศูนย์สักสิบล้านได้ไหมอากงบอกว่าน้อยไปประมาณสาสิบล้านบาทได้ ส0ิบล้านแต่ก่อนนะครับเยอะหลังจากองที่ทำโรงเล่ามาสมสิปีประมาณปีหนึ่งห้าท่านประมูลโรงเล่าไม่ได้ทั้งสามโรงโ<อ>ธุรกิจทุกอย่างท่านก็ถึงการอวสาน<อ>ทั้งป่าไมา้เมืองแร่โรงงานหินอ่อนล้วนได้รับผลขาดทุนถูกโกงลูกน้องไม่ซื่อสัตว์ลูกชายประพฤติตัวไม่เหมาะสม ไม่สามารถบริหารและดูแลกิจการต่อไปได้กลับเป็นหนี้นับสิบสิบล้าน oh. ไม่มีลักทรัพย์อะไรเหลือเลยยกเว้นแต่ที่ดินบางส่วนและไร่มะขามหวานเป็นมรดกให้ลูกหลานครับจนรวยรทำบุญจนจนเด็กออกไหมครับอากองมีภรรยาสองคนซึ่งทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันมีลูกทั้งหมดสิบเอ็ดคน แม่ของลูกเป็นลูกของอาม่าคนที่หนึ่งอากอรสียชีวิตเมื่อ26อายุได้เจสปีอาหม่าของลูกเป็นคนใจบุญชอบทําบุญตักบาตรเป็นประจําทุกวันและได้ธํามาสร้างบารมีธิวัระธรรมกายปี2536ได้ทำบุญสร้างองค์พระธรรมกายําตัวถอดกริ่นภาป่าและร่วมบุญทุกบุญธิวัระธรรมกายตลอดมาท่านเสียชีวิตเมื่อเดือนเมษาปีสี่หแม่ของลูกเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อ4ีหนึ่ง หมอไม่ทราบว่าเป็นที่ใดเชื่อี่แม่ป่วยลูกดูกระดาบขอพรหลวงพ่อด้วยค่ะแล้วท่านกระเดมมาถวายประจัยหลวงพ่อหนึ่งเอ็มด้ตัวท่านเอง<า>แต่ที่น่าแปลกอย่างยิ่งคือแม่งลูกไม่เคยเจ็บปวดเลยยกเว้นเพียงแค่ครั้งเดียวที่ต้องกินยาแก้ปวดท่านนอนป่วยด้วยโรคโมเร็งถึงหเดือนกินไม่ได้น้ำหนักลดลงเรื่อยๆแต่มีสติรับรู้ได้ ท่านฟังเทศสมาและทำบุญตักบาตถวายพระตาหารพระลูกชายตลอดในวันที่ท่านเสียชีวิตนั้นพี่สาวขลูกได้ทบทวนบัญชีบุญที่คุณแม่ได้ทำท่านพยักหน้ารับทราบแล้วก็ท่านนึกถึงหลวงปู่และหลวงพ่อตลอดท่านหันหน้าเขาหาตู้ข้างเตียงซึ่งมีภาพหลวงปู่หลวงพ่อและดวงแก้วแล้วก็หลับไปในขณะที่ลูกเปิดเทพบทสวดพระมหาสิริราชท่าไทยฟังท่านจากไปพร้อมรอยยิ้มที่มุมปาก และดวงตาข้างซ้ายยังเปิดอยู่มีรอยยิ้มมุมปากตาข้างขวาปิดข้างซ้ายเปิ ด, ปดนิดๆพอเ ร, ราโลภพระองค์เป็นอย่างไรบุญสร้างพระทำกายเป็นตัวที่ทําให้อากองท่านได้รับหรือไม่ลูกต้องทําบุญอะไรคะจึงจะทายท่านได้รับบุญเพิ่มขึ้นอากองท่านทารราาํากรรอะไรมาคะกิจการได้เคยเจอแ ล, ลุ้่มเลือนง็ามาล้มละลาย ลูกน้องไม่สื่อสาตร์และลูกชายประพฤติัวไม่เหมาะสมอามางลูกวปกติเป็นอย่างไรบ้างจะต้องทำบุญอะไรท่านยิ่งจะได้รับบุญเพิ่มขึ้นทัพทวีก่อนที่อากงจะเสียชีวิตคืนวันหนึ่งแม่ของลูกได้เห็นผีเสื้อสีดำตัวใหญ่ขนาดเท่าฝ่ามือว่าเกาะที่หน้าตา่างครู่ใหญ่แล้วก็บินจากไปแม่ได้เล่าให้ลูกฟังว่าเป็นเหมือนลางบอกเหตุแต่ลูกไม่เชื่อ คิดว่าแม่คิมากและโยงว่าเรื่องให้เกี่ยวกันเองแต่บอกกัว่าในปีสี่หนึ่งก่อนที่แม่ของลูกจะเสียชีวิตไม่ ก, กี่วันนั้นช่วงค่าวันหนึ่งลูกก็ได้เห็นผีเสื้อสีดําสนิท ต, ตัวใหญ่ขนาดฟามือเหมือนที่แม่เล่ามาเกาะที่ขอบหน้าต่างบ้านของลูกซึ่งลูกไม่เคยเห็นผีเสื้อใหญ่ขนาดนี้และมีสีดําเข้มอย่างนี้มาก่อนในชีวิตลูกอยากทราบว่าเป็นผีเสื้อตัวเดียวกระลุมไหม นั้นสองหกนั้นนี่สี่หนึ่งรักหกและมีความหมายอย่างไรหรือเปล่าคะระับคุณแม่มีกติเป็นอย่างไรบ้างท่า <Hayır. S 1> นมองอะไรอยู่คะจิงไม่หลับตาทั้งสองข้างห oh. ลับข้างลืมข้าง <uri> าารักทำกรรมอะไรมาคะจิงเป็นมรรแรงเสียชีวิตรักคุณลุงของลูกท่านมีหุ้นในโรงเหล้าและโรงยาฝิ่นด้วยท่านเป็นูดจัดการโรงเหล้าของอากงท่านเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่ออายุ4ี่สิบี่ปีด้วยโรคมะเร็งที่ปอด ตอนนี้ท่านอยู่ที่ใดและมีวิบากกรรมอะไรจึงมีอายุสั้นท่านาสามารถรับบุญที่พวกเราทำไปให้ได้ไหมคะอากงตายปี2526อายุเจบปีบไปไหนผมหครับจนเรือทาบุญจนหลังจากธุรกิจล้มละลาย อากองก็ทุกข์ใจแค้นใจเจ็บใจใจก็เลยเศร้าหมองมาโดยตลอดพอใกล้ตายกรรมนิมิตรคือต้นเห็นภาพติดตัวท่านทำเอาไว้หลายหลายเรื่องโดยเฉพาะกำหนักที่เกี่ยวกับได้สัมปทานลงเล่าและฟิน ที่ติดอยู่ในใจตลอดมาและก็หมองใจเพราะเรื่องนี้ที่ประมูลไม่ได้ครับแค้นใจเจ็บใจทุกใจทำให้กตินิมิต ด, ดำมืดแม้จะทำบุญทอดปลาปากรินและช่วยสังเคราะห์เพื่อนมนุษย์มาก็ตามเนื่องจากเงินที่ได้มานั้นน่ถือว่าไม่บริสุทธิ์ตามหลักกฎแห่งกรรมครับบุญนั้นจึงยังไม่ได้ช่อง บาปอกุศลได้ช่างก่อนจึงนำไปเกิดในมหาเนล็อกภุมิห้าทันทีมีกายผอมดำสูงใหญ่ปานภูเขาอยู่ในภูเขาสูงใหญ่ที่เป็นปโพรงในก่อนไหมอ๋อไปนั่งอยู่ในภูเขาแต่ก็ตัวใหญ่เกือบเท่าภูเขาลูกนั้นแล้วก็อาเจียนอาเจียนอาเจียนอาเจียนออกมาเป็นน้ำกรดสีดำ ท่วมตัวท่วมตัวไหลล้นออกมาตลอดเวลาคล้ายลาว่าไหลออกมาจากปล่องภูเขาไฟไปเป็นทานน้ำและรวมกันไปนเป็นน้ำกรดสีดำใหญ่ให้สัตว์นรกได้ดื่มกินจนตัวละลายมีความทุกข์ทรมานมากและจะตั้งไปเจออีกหลายทรานทรมาน เช่นจะอยู่ในปล่องเหล็กร้อนที่มีไฟและควันกรดอ oh. สมรมอยู่ตลอดเวลาเพราะกรรมสัมภทานฟินอ oh. สิตรตรงนี้ยังไม่ได้เอามาให้พวกเราได้ดู oh. Oh. ยังรับบุญไม่ได้แต่ว่าบุญไปคอยอยู่ในยมโลกต้องช่วยด้วยวิธีพิเศษคือเข้าถึงวิชาธรรมกายแบบปุญญาอาจารย์ อากงจากจนมารวยและมาล้มลายลูกน้องไม่ซื่อสัตว์ลูกเราพึ่งตัวไม่ดีก็เพราะที่รวยเพราะท่านเคยทำบุญใหญ่ในพระพุทธศาสนาเป็นชาติใดดีท่านเป็นประธานผ้าป่าได้ชวนหมู่ญาติวิตมาร่วมบุญเป็นประธานผ้าป่านะพี่ยกรินทำอยู่ครั้งเดียวอ่ะ เ, เป็นประธานใหญ่แล้วก็ไม่ได้ทําอีกครับพอทาอาําเซก้อธิษฐานให้ขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยรวยอย่างเดียวเมื่อบุญส่งผลก็รวยจริงๆครับไม่ว่าจะรวยในวิธีการใดจะรวยด้วยวิชาชีวะหรือสัมมาอาชีวะก็ได้เพราะว่าไม่ได้อธิษฐานขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหรือนิพพ า, น, น, า น, นะปะัญโยโหตุ จึงไม่มีทิศทางไงเอารวยอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นก็มารวยอย่างเดียวเนี่ยในจังหวะที่บาปได้ช่างก็สอดเอาเรื่องมิจฉาชีวะเข้ามาก็ทําให้รวยด้วยมิจฉาชีวะและก็ขยายไปในกิจการอื่นๆกันต่อไปไงั้นแหละส่วนคนปัจจุบันได้มาจากมิจฉาชีวะก็ได้มา ถือว่าเป็นบุญไม่มากเท่าไหร่จรึงไม่อาจจะช่วยพยุงได้เมื่อบุญไม่ได้ช่วยพยุงบุญเก่าหมดไปบาปใหม่เกิดขึ้นเล่าเอ่ยฝิ่นเอ่ยอะไรท่างๆเนี่ยทำให้ครอบครัวที่เข้าไปเสพเดือดร้อนกันทำให้ลูกน้องมราไ่สือสัตว์ลูกตัวกระพเพพไม่ดีเป็นต้นบาปนี้ส่งผลในปัจจุบัน ท่านจะต้องไปรับกรรมนี้อีกยาวนานทีเดียวมาก oh. อีกหลายกรรมทีเดียวแหละผ uh huh. ีเสื้อสีดําตัวใหญ่เท่าฝ่ามือมาปรากฏก่อนอากงตายตัวเดียวกันไหมคนละตัวคนละตัว uh huh. กับที่มาปรากฏก่อนแม่ตายมันคนละตัวกันนะ ทำไมจะมาปรากฏทำไมพีชเสื้อก่อนแล้วกองตายก็มาปรากฏก่อนแม่ตายก็มาปรากฏครับบังเอิญบินผ่านมาบังเอิญมันมาบินผ่านมาแล้วมีอารมณ์มาเกาะตรงนั้นเข้ามาพ้องกันไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกออ่ <c oughs> ใครถ่ายบังเอิญมึงยกมือสิเ <c oughs> <c oughs> กลงมากเก่งมากบังเอิญ อา ม, มาใจชั้นชุ่มอยู่ในบุญ ล, ละโลกแล้วก็ไปอยู่ชั้นดาวดึงฟเฟสสองอมีวิมานทองไปเป็นเทพิดาอยู่ในขนาดนี้พองเกินไปใหม่ๆได้สักไปเองยี่มันเนี่ยสี่ห้าเนี่ยกำลังตรวจตาดูสมบัติที่เป็นทิพย์เกิดจากบุญที่ตัวได้กระทําไว้ในเมืองมนุษย์ กำลังปลื้มสุดๆแล้วลึกชาติในชาติหนึ่งตอนว่าเออสมบัตินี้ได้มาจากบุญนั้นบุญนี้ที่เราได้กระทับครับบุญได้ทุกบุญที่อุทิศไปให้ท่านละเจ้าทำอะไรไปก็ได้รับกำลังเป็นปลื้มอยู่ทุกวันเลยนแหละสุขแม่ตายปีสี่หนึ่งตายแล้วลืมตาข้างหนึ่งหลับตาข้่หนึ่งราะเหตุสวัสดิ์เหตุบริวาร พราะท่านเหลือบไปเห็นบริวารที่มายืนอยู่รอบตัวท่านาได้เห็นแว บ, บหนึ่งแว บ, บเดียวเท่านั้นแหละก่อนที่ท่านจะไปจึงยิ้มที่มุมป่าและก็ไป เ, เกิดที่ดาวดึงเฟสสองอมีวิมานทองใกล้ๆอาม่านั่นแหละเป็นเทพธิดาแต่ท่านไปก่อนอาม่านะะปีศหนึ่งับ อาไปีสี่ห้าแต่แม่ตายก่อนอาาจึงมาอยู่ก่อนและกำลังมีความสุขในที่พยสมบัติได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้ท่านเจ้าที่ท่านเป็นมริเงกับเพราะกรรมเก่าที่ทำปานาติบาตในอดีตชาติได้เกิดเป็นผู้ชายเป็นเจ้าเมืองได้สั่งให้ทำโทษนักโทษด้วยการสั่งขังลืมให้อดข้าวอดน้ำอดอาหารตายไป กรรมนี่แหละจะจะทำให้ท่านมาเป็นมะเร็งเห็นไหมมันเกิดได้หลายกรณีทีเดียวรกรรมเจ้าชู้บ้างปานาติบาตบ้างกสัตร์บังคั บ, ม, คบ ม, มนุษย์บังอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกหลากหลายอีกเยอะลุงเวลาตายก็ทรมานคตินิมิต ด, ดำมืดไปอยู่ในมหานรุมห้ามีสภาพคล้ายอากงเพราะท่านมีหุ้นส่วนลงเล่า ฟ, ฟินและเป็นผู้จัดการโรงเหล้า ค, คือเป็นนั่งอ้วกอยู่ในภูเขาลูกย่อมกว่าอากงจนน้ำกรดสีดำท่วมตัวไหลเป็นลาว่าออกมาทรมานมากยังรับบญไม่ได้เช่นเดียวกับกองแจาอายุสั้นเพราะกรรมในอดีตที่เคยฆ่าสัตว์กับการปัจจุบันที่สุบุรีและเป็นผู้จัดการโรงงานสุรามีหุ้นในโรงเหล้าและยาฟินผสมกันทาให้บาปได้ช่อง พาไปมหานรลกและตายตอนอายุสั้นจ้านี่ก็เป็นเคสตดดีสำหรับคืนนี้